อำนาจทำให้คุณสามารถออกคำสั่งให้คนอื่นทาตามเกิดจากตำแหน่งและโทสะเป็นสิ่งที่ต้องมีในการคุมคนบารมีทำให้คนอื่นอยากช่วยคุณโดยคุณไม่ต้องออกคำสั่งเกิดจากเมตตาและความสามารถคลองใจคนเป็นสิ่งที่ต้องมากในการครองใจคนลูกน้องก็สร้างบารมีได้ คนเรามีความเห็นผิดผิดเกี่ยวกับคำว่าบารมีเหตุเพราะไปผูกโยงเป็นอันเดียวกันกับคำว่าอานาจอานาจคือสิ่งที่ทาให้ใครคนหนึ่งสามารถออกคำสั่งใครอีกคนหรือหลายๆคนให้ทำอะไรตามที่ตนต้องการส่วนบารมีคือการที่ใครคนหนึ่งได้ใจใครลหลายๆคนไว้แล้วนึกเกรงใจหรือกระทั่งอยากช่วยเองโดยไม่จำเป็นต้องออกคาสั่ง พูดให้เข้าใจง่ายอำนาจเกิดจากตำแหน่งและโทสะทำให้ผู้คนหวาดกลัวอยากก้มหน้าหลบขณะที่บารมีเกิดจากเมตตาและความสามารถกลองใจคนทำให้ผู้คนนึกรักอยากเงยหน้ามองกันเต็มตาอำนาจเป็นสิ่งที่ต้องมีในการคุมคนแต่บารมีเป็นสิ่งที่ต้องมากในการครองใจคน ความเคารพของลูกน้องคือบารมีของเจ้านายความเชื่อใจของเจ้านายคือบารมีของลูกน้องแต่เมื่อเข้าใจผิดคิดว่าอำนาจกับบารมีเป็นอันเดียวกันที่ทํางานจึงมักเป็นเวทีแสดงอำนาจแข่งกันสร้างอำนาจระหว่างเจ้านายด้วยกันหรือระหว่างลูกน้องที่ชิงดีชิงเด่นกันยิ่งโลกปัจจุบันจิตใจผู้คนอยากกระด้างนิยมความรุนแรงเป็นหลัก ก็ยากจะเห็นคนใช้ที่ทำงานในการสั่งสมบา ร, รมีกันไม่เข้าใจกระทั่งว่าคนเป็นลูกน้องก็สร้างบา ร, รมีได้ฝั่งเจ้านายพอเกิดเรื่องแทนที่จะรู้สึกว่าเป็นโอกาสสร้างบา ร, รมีสอนลูกน้องด้วยความเมตตาไม่ให้เสียหน้าเจตนาเตือนสติให้ได้คิดได้เต็มใจแก้ไขส่วนใหญ่กลับลุกแก่โทสะอย่าแสดงอานาจด้วยการเรียกมดาด่า หรือเรียกประชุมแสดงสักดาอารวาส ด, ด้วยเจตนาให้เจ็บช้ำน้ำใจกันเป็นหลักฝั่งลูกน้องถ้าไม่มีเรื่องอะไรเลยแทนที่จะสร้างผลงานหยอดกระปุกให้จนนายเห็นส่วนใหญ่จะเอ่ยเฉยลงเรื่อยๆไม่มีสติควบคุมตัวเองว่าพลาดไม่ได้นะช้าไม่ได้นะอุ่ยไม่ได้นะยิ่งวันยิ่งรู้สึกว่าพลาดนิดพลาดหน่อยไม่เป็นไรนะ่ะสายหน่อยไม่เป็นไรนะ่ะ เอาแค่ปุปุปะๆ พ, พอใช้ก็โอ่นะเมื่อที่ทำงานไม่เป็นเวทีสร้างบา ร, รมีก็ไม่มีใครเป็นสุขทั้งฝั่งเจ้านายและฝั่งลูกน้องเพื่อที่จะให้ที่ทำงานเป็นเวทีสร้างบา ร, รมีเจ้านายจาเป็นต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเสมอเจ้านายใดเข้าใจเรื่องบา ร, รมียอมโตขึ้นบนเส้นทางสร้างบา ร, รมี ไม่เอาแต่ใจไม่บ้าอำนาจและไม่ต้องเสียใจที่หมดอำนาจในบ้านปลาย